ต้องรักษาจิตด้วยสติอยู่เสมอเช่นระ ว, วังใจไม่ให้ติดในสิ่งที่ชวนให้ติด อ, อไม่ให้คัดเครืองในสิ่งที่ชวนให้ขัดเคืองไม่ให้ลุ่มหลงโมวเมาในสิ่งที่ชวนให้ลุ่มหลงโัวเมาท่านจะสังเกตว่ า, ว า, าตอนนี้จะก้าวเข้ามาสู่แดนของสมาธิคือความสงบมั่นคง ของดวงจิตที่จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการใช้ปัญญาเหมือนเหมือนเราก็ามองดูวัตถุในน้ำที่ใสนิ่งนะครับก็จะเห็นได้ชัดคือการมองสึงใดสิ่งหล็กที่อยู่ข้างทางขณะรถนิ่งอยู่กับขณะที่ดูขณะกับการมองดูขณะที่รถจุดนิ่ง ก็จะมองเห็นชัดเจนได้ไม่เท่ากันในการใช้ปัญญานะครับ ก, ก็ทำานองเดียวกั น, นขณะที่จิตพุงซ่านสัตสนวุ่นวาย mm. ก็จะใช้ปัญญาไม่ได้เคยได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่เมื่อจิตบริสุทธสะอาดสงบตั้งมั่น mm. ก็จะใช้ปัญญาได้ดี ปัญญาที่ใช้บ่อยๆนี้นะครับก็จะทำให้เก็บคมว่องไวแทพูนมากขึ้นเป็นบัตจใจให้ศีลและสมาธิดีขึ้นด้วยทั้งสามอย่างนี้ครับอาศัยกันและกันทำให้ชีวิตบริสุทธิ์ ที่พระพุทธเจ้าท่าทนเคยเปรียบว่าศีลกับปัญญานั้นอาศัยกันเหมือนเหมือนอาศัยมือล้างมืออาศัยเท้าล้างเท้าคือเวลามือข้างหนึ่งเราเปื้อนหรือทั้งสองมือเปื้อนก็อาศัยมือนั่นแหละล้างมือแล้วก็ท่าเท้าเปื้อนถ้าเราจะไม่ใช้มือก็เอาเท้านั่นแหละถูกันทูกกันไปมาเท้าก็จะสะอาดได้ คราวนี้พูดถึงพุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้าแก่มวนพุทธบริษั t นั้นก็เพื่อให้พุทธบริษัทขึ้นถึงยอดแห่งคุณธรรมคือปัญญาปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยตนเองจนกระทั่งเป็นที่พึ่งแก่ตัวได้ไม่ต้องเชื่อถือแม้ถ้อยคําแม้แต่ถ้อยคําของสมณะ อย่างข้อความในพระไตรปิฎกเล่มย<ม>ี่สิบเอ็ดข้อหนึ่งร้อยสิบเจ็ดว่าน่าจะปัญญนะสมณวจณนะเหตุปิคัจจติก็แปลว่าไม่ต้องเชื่อถือแม้แต่ถ้อยคำของสมณ ะ, ะเพราะว่าเพระอะไรที่ไม่ต้องเชื่อถือก็เพราะว่าได้เห็นแจ้งด้วยตนเองเห็นแจ้งด้วยตนเอง <c oughs> <c oughs> คนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับจะมีสมณะนักปวดหรือศาสดาที่เป็นที่เคารพนับถือของตนของตนท่านพูดอย่างใดก็จะเชื่ออย่างนั้นแต่ผู้ที่ฝึกจิตดีแล้วมีปัญญาเข้าถึงธรรมหรือความจริงด้วยตนเองแล้วก็จะเชื่อมั่นด้วยตนเองว่าอะไรเป็นอะไร ถือว่าได้เห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วไม่ต้องตกลงใจเพราะเชื่อผู้อื่นอันเป็นเพียงศรัทธาในตัวบุคคลเป็นเพียงศรัทธาในตัวบุคคลถือท่านพูดอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าเมื่ อ, อได้มีประสบการณ์จงด้วยตนเองแล้วก็ไม่ต้องศรัทธาไม่ต้องเชื่อในตัวบุคคลแต่เชื่อความจริง ดังนั้นในกาลามาสูตรนะครับพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงไว้เป็นข้อสุดท้ายว่าอย่าได้เชื่อถือเพราะเห็นว่าผู้นี้เป็นสมณะของเราหรือครูของเราหรือศาสดาของเราหามะสมโนโนคุท่านทั้งหลายอย่าได้รับเชื่อโดยเห็นว่าท่านผู้นี้สมณะผู้นี้เป็นครูของเรา แต่ไม่สักแต่ว่าเป็นว่าเป็นครูของเราเวลานี้ถ้าท่านจะสังเกตท่านจะสังเกตดูแม้ในเมืองไทยเองนะครับไม่ต้องพูดถึงในอินเดียสมัยหลวพุทธเจ้าแม้ในเมืองไทยเองนี่ก็ออยึดต่อคําสอนของครูเป็นเป็นสําคัญไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไต่เต้าไปหาต้นต่อเช่นว่าพระเจปีโตหรือว่าคำพี ทางศาสนาที่ท่านผู้รู้ได้อรสจนาเอาไว้ด้วยความรู้ที่ถูกต้องเมักจะเชื่อสมณะผู้นี้ว่าเป็นครูของเราท่านพูดอย่างไรก็เชื่อไปอย่างนั้นท่านอาจจะพูดผิดก็ได้ได้เมื่อเรายังไม่เข้าถึงความจริงแล้วก็มีบ่อยๆด้วยมิจะพูดผิดก็มีบ่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นท่านจะต้อง ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยแล้วก็ฟังท่านผู้รู้ด้วยฟังฟังสมณะด้วยฟังรูปาอาจารย์ด้วยแล้วนำไปเทียบเคียงกับความรู้ที่เชื่อถือได้เช่นพระจัยปีดกเวลานี้ก็มีผู้ประกาศศาสนามากมายนะครับทางทีวีก็มีทางวิทยุก็มีทางหนังสือพิมพ์ก็มี ทางหนังสือที่เป็นเล่มก็มีที่นี่ท่านจะตัดสินได้อย่างไรหรือจะรู้ได้อย่างไรว่ า, าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดท่านผูดด้ใดพูดถูกท่านผู้ใดพูดผิ ด, ดอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะยากนะครับค่อนข้างจะยากนอกจากว่าท่านจะมีความรู้ของท่านเองหรือว่าเข้าถึงความจริงด้วยตนเอง ผู้ที่อบรมปัญญาถ้าได้เห็นธรรมแม่เพียงขั้นโสดาปันถ้าได้เห็นธรรมแม่เพียงขั้นโสดาปันที่จัดเป็นขั้นต้นแห่งผู้เข้าสู่กระแสธรรมก็จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งขึ้นมาคือว่าไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัใจจัยในคำสอนของพระสัสดา ท่านใช้คําว่าอภรปั จ, จโยสัตตุศาสนาไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปั จ, จัยในคําสอนของพระศัสดาเพราะว่าได้เห็นเองได้เห็นเองได้รู้เองได้เข้าใจเองได้ทราบซึ่งเองได้ผ่านสิ่งนั้นนั้นมาด้วยตัวเองแล้วก็มีตนเป็นพยานได้ ที่ภาษาทางปัจจาเขาเรียกว่าเส้นเอพิเดนเซ้นเอพิเดนมีตนเป็นพยานได้ uh, ตัวนี้แหละเป็นพยานว่าได้ทำมาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้ว uh, ได้เปิดพิสสิ่งนี้สิ่งนี้มาแล้วมันมีโทษมีคุณอย่างไรได้เห็นด้วยตนเองแล้วก็มีความเชื่อมั่น uh, ด้วยความ ด้วยความที่เข้าถึงเข้าถึงสิ่งนั้นจริงๆอย่งางนี้นอกจากนี้ก็จะเป็นคนที่มีทุกน้อยมีทุกน้อยมีตกติอยู่เป็นสุขนด้วยธรรมที่หาประมาณมิได้มีทุกน้อยอย่างที่พระพุทธองค์ท่านทรงเปรียบว่าความทุกข์ของพระโสดาบันแม่เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นนะครับ ความทุกข์ของพระโสดาบันเหมือนกับน้ำบนใบไม้บนใบหญ้าเหมือนกับน้ำที่ติดอยู่บนใบหญ้าถ้าเปรียบความทุกข์ของปุถุชนทั่วไปคนทั้งหลายทั่วไปเหมือนกับน้ำในบึงใหญ่ในบึงใหญ่ในสระใหญ่ความทุกข์ของพระโสดาบันเหมือนกับหยดน้ำหยาดน้ำบนใบหญ้า ที่จุ่มลงไปในสระในปึงแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาให้ยอดน้ำที่ติดอยู่นบนใบหญ้านั่นแหละคือคื อ, คอทุกข์ของระโสดาบันยังมีทุกข์อยู่บ้างแต่ว่าน้อยเหลือเกินถ้าเทียบกับความทุกข์ของปุถุชนโดยทั่วไปน่าเป็นน่าเป็นน่าได้น่าถึงเพราะว่าถึงแล้วได้แล้วทำให้มีทุกข์น้อย อย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอตอนสุดท้ายของเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัส ว, ว่าการเห็นธรรมการเข้าถึงธรรมการรู้ธรรมมีอานิสงส์มากอย่างนี้มีอานิสงส์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นควรหรือไม่ที่จะเป็นผู้มีปัญญาคนขวายเพื่อความเป็นโสดาบันแต่ที่นี้ <c oughs> คนเราส่วนมากแม้ที่เป็นพุทธบริษัทก็มักจะยอมแพ้เสียตั้งแต่ต้น บอกว่าเราไม่ไหวเราเป็นไม่ได้เราสู้ไม่ไหวเราละไม่ได้แต่ที่นี่ลองลองนึกย้อนดูว่าท่านที่เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนั้นเดิมท่านก็ไม่ได้เป็นมาจากคำเนิร์ดท่านก็เป็นด้วยความเพียพรพยายามด้วยความสำรวมระวังท่านก็มาเป็นอภัยหลังท่านก็มาจากปุถุชนนั่นแหละ ท่านก็มาจากผูุ้ชนคนธรรมดานั่นห ล, ละแล้วก็ท่านก็ใช้ความเพียรพยายามใช้ปัญญาใช้อยู่ในโสมนสิการรู้จักใจท ร, รองรู้จักขรบคิดรู้จกักว่าอะไรควรยึดไว้อะไรควรทิ้งไปในที่สุดท่านก็เบาเบามีอัตภาพที่เบาแล้วมีปกติอยู่เป็นสุข ด้วยธรรมหาประมาณมิไายอัปปามะสุขวิหารีมีปกติอยู่เป็นสุขด้วยธรรมหาประมาณมิไายทีนี้ถ้าเป็นคนที่ไม่เข้าถึงธรรมหรือว่าไกลธรรมก็จะเป็นคนมีปกติอยู่เป็นทุกข์แม้ด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยท่านใช้คําว่าอัปปะทุกขวิหารีอัปปะทุกขวิหารี ไม่ไม่ใช่แปลว่ามีปกติอยู่ด้วยทุกน้อยนะครับแต่ว่ามีปกติเป็นอยู่เป็นทุกข์แม้ด้วยเรื่องเล็กน้อยอะไรนินดๆหน่อยๆก็เก็บมาเป็นทุกข์เป็นร้อนเก็บมาเศร้าโศกเสียใจเก็บมาเดือดร้อนไปหมดอันนี้ก็เป็นคนอีกแบบหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับลักษณะของพระโสดาบานันหรือพระอริยบุคคลแม้ในระดับโสดาบานัน เป็่อนั่นเป็นผู้มีทุกข์น้อยแล้วก็มีปกติอยู่ด้วยความสุขด้วยธรรมที่หาประมาณไม่ได้เช่นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทก็เพื่อให้เกิดก็ เ, เพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ดังข้อความในพระไตรปิฎกอังคุตรนิการติการิบาศพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบข้อ5้าร้อยหกสิบห้ามีใจความว่าพระพุทธองค์ทรงสอนพุทธบริษัทเพื่อให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นหือว่า อะไรที่ไม่ควรรู้ควรเห็นก็ไม่ต้องสอนก็ไม่ต้องพูดเพราะว่าเรื่องที่จะต้องรู้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยในโลกนี้แต่ว่าอะไรที่มันไม่ควรจะรู้จะเห็นก็ไม่ไม่ต้องไปรู้ไปเห็นไม่ต้องไปสนใจมันหรอกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านจัดว่าอาอาสิ่งที่เรารู้แล้วแต่ไม่ได้สอนเหมือนไม้เหมือนใบไม้บนต้นไม้ทั้งหมดในป่าแต่ว่า สิ่งที่เรารู้แล้วนํามาสอนเธอทั้งหลายเหมือนกับใบไม้ในกรําร ม, มือของเรานี้เพราะอย่าใจก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องรู้แต่สิ่งที่เราสอนคือสิ่งที่จําเป็นต้องรู้เพื่อความระงับดับทุกข์ทรงสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นอะไรควรรู้ควรเห็นก็ให้รู้ให้เห็นอะไรไม่ควรรู้ควรเห็นก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องสอน ไปคล้ายครูที่ฉลาดเนี่ยนะครับครูที่ฉลาดก็จะสอนเด็กเท่าที่เด็กควรจะรู้จะเห็นไม่ใช่ไม่ใช่ตามใจที่ครูที่ครูอยากจะรู้อยากจะเห็นหรืออยาก อ, อยากจะให้นักเรียนรู้ว่าเรารู้อะไรแต่ว่าต้องเอาใจใส่ให้เด็กได้รู้ในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็น หรือว่าพ่อแม่แม้จะมีสตังมากมายมีสตังเยอะแต่ว่าจะให้ลูกเท่าที่ลูกควรจะได้รับไม่สปอยไม่สปอยลูกด้วยเงินทองที่คิดว่าตัวมีมากมายแล้วก็ให้ลูกเพื่อจะอวดเสร็ฐีให้ลูกเพื่อจะอวดว่าตัวมั่งมีแล้วก็ให้ลูกเสียคนด้วยเงินทองที่พ่อแม่นรนเปื่อยแต่ก็ไม่ใช่เบียดรอเดนียวแน่นได้จน ลูกเดือดร้อนนั่นคือพ่อแม่ที่ฉลาดก็ต้องเลี้ยงลูกตามตามความจำเป็นเท่าที่ลูกควรจะมีไม่ใช่ตามที่ตัวอยากจะให้ลูกอยากจะให้ลูกอยู่ดีกินดีมากเกินไปแล้ว่าเด็กมันก็เสีย <c oughs> หรือว่าให้แรนแค้นเกินไปด้วยความเหนียวแน่น อย่างในเรื่องอัตกถาธรรมบทที่ชอบพูดพูดถึงเศรษฐีขี้เหนียวที่ไม่เคยให้อะไรแก่กใครเรื่ออาทินนะปุพะกะไม่เคยให้อะไรแก่กใครนะกับลูกของตัวเองก็เนียวแน่นเหลือเกินเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจอให้ไปหาหมอก็ไม่ไปก็รักษากับหมอพอดีพอได้ในะที่สุดลูกเจ็บหนักลง ท่านในที่สุดก็ตายไปอันนี้ก็อย่างนี้ก็เกินไปอย่างนี้ก็เกินไปเพราะฉะนั้น <c oughs> พระศาสดาพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นผู้ที่ฉลาดในการแสดงธรรมธรรมเทศนากโกศลฉลาดในการแสดงธรรมท่านจึงสอนเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นอะไรไม่ควรรู้ควรเห็นก็ไม่ต้องรู้ ไม่ต้องรู้ <c oughs> มีคนเคยมาถามพระองค์ว่าชาติหน้ามีหรือเปล่าชาติก่อนมีหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็าจัดว่าเออที่จริงคนที่มาคุยกับเราเรื่องนี้ควรจะได้ปกเพนิวาสานุสติยานบ้างคือควรจะระลึกชาติได้บ้างสักชาติสองชาติถึงจะมาถามเรื่องนี้หมายความว่ามีพื้นฐานนะครับ มีพื้นฐานมันจะได้คุยกันสนุกจะได้คุยกันรู้เรื่องอันนี้ไม่มีพื้นฐานเลยไม่รู้เรื่องเอาเลยทีนี้ก็มาถามเรื่องชาติหน้ามีหรือเปล่าชาติกอนมีหรือเปล่าแพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเออคนที่มาคุยกับเราเรื่องนี้ควรจะละลึกชาติได้บ้างสักชาติสองชาติมันก็พอจะโยงถึงได้หรืออ้างถึงได้อย่างนี้ แต่ว่าไม่รู้เรื่องเอาเลยไม่มีพื้นฐานเลยบังการเราไม่มีความรู้พื้นฐานทางใดทางหนึ่งแต่ก็ไปถามเรื่องสูงสูงเนี่ย <c oughs> แล้วก็จะให้ผู้ตอบตอบไปยังไงตอบแล้วคนคนฟังก็ไม่รู้เรื่องอทำนองนั้นถ้ามีตัวอย่างบางทีก็มีพระบางรูปเช่นพระมาลุงไยะ ในจูละมาลุงกโยวาทสัสสตรในคำพีมัชิชิมมานิกายนะครับมาทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าขอให้ทรงแสดงให้ตอบปัญหาขอให้ทรงตอบปัญหาว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เถียงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดจีวะกับชรีระเป็นอันเดียวกันหรือเปล่ า, าสัตว์หลังจากตายแล้วเป็นยังไงมีอยู่หรือไม่มีหรือมีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วย เอมีมีก็ไม่ใช่ไม่มีมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อะไรนี้พระพุทธเจา้าท่านจัดว่ารู้ไปทําไมเรื่องพวกนี้รู้ไปทําไมรู้แล้วหมดทุกไหม <c oughs> ถ้าเผื่อไม่ทรงตอบก็จะสึกจะไม่อยู่ละพระพุทธเจา้าท่านจัดว่าตอนมาบวชก็ไม่ได้ชวนให้มาบวชแล้วก็ ไม่ได้สัญญากันไว้ว่าถ้าบวชแล้วก็จะตอบปัญหานี้ให้ปัญหานี้ให้เพราะฉะนั้นถ้าจะเสกก็เสบเถอะถ้าเราจะดิ้นตายไปต่อหน้าต่อตาก็จะไม่ต่อไปปัญหาสิบข้อนี้เขาเรียกอันตะคายิกาทิฐินะครับแปลวา่าทิฐิที่เป็นที่สุดที่สุดมันเป็นพวกเมตาฟิสิก อ่าเป็นอภิปัตย์ยาอ่าเป็นเมตตาฟิสิกเป็นอภิปัตย์ยาซึ่งในสมัยของพระเจ้าเองท่านไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้ท่านสอนจริยธรรมเพื่อให้สังคมอยู่เป็นสุขแล้วก็สอนโลกุตตรธรรมเพื่อให้คนพ้นจากโลกพ้นจากการเวียนว่าย่ายเกิด <c oughs> ได้หมดเรื่องหมดราวกันไปออพระพุทเจ้าท่านทรงอ อุปมาเปรียบเทียบว่าเออความทุกเนี่ยมันเผาอยู่ตลอดวันตลอดเวลา อ, อมาสนใจในเรื่องการดับทุกจะไม่ดีกว่าหรืออคล้ายๆกับคนที่ถูกลูกศรมาเสียบแล้วมีคนยิงลูกศอนมาเสียบแล้ ว, นลนลวหน้าที่โดยตรงคนจะทําอะไรก็ควรจะรีบถอนลูกศรแล้วก็ล้างแผลชำระแผลหาหมอ รักษาแผลให้หายเสียไม่จําเป็นจะต้องไปมัวถามว่าใครเป็นคนยิงยิงมาจากทางทิศ ท, ทางทิศไหนลูกศอนทาด้วยอะไรไม่ต้องไปสืบหรอกมัวไปสืบซะก่อนว่าต้องรู้ซะก่อนว่าลูกศอนทาด้วยอะไรใครเป็นคนยิงยิงมาจากทิศไหนอผู้ลูกสอนสีดาหรือสีขาวให้ไปสืบวันนั้นซะก่อนมิฉะนั้นไม่ให้ต่อลูกศร อ, อย่างนี้ก็ตายกล่าวเพราะฉะนั้น ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไปเชิญเราจู่คือปัญหาเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เพราะฉะนั้นก็ให้สนใจในเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์นี้ให้เป็นพิเศษให้ปัญหาที่ปรัชญาที่ว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดไม่มีที่สุดเลยอย่าเพิ่งไปสนใจเลยรู้ไปก็เท่านั้นแหละไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ติดีใจดีไม่ได้เอะไรขึ้นมาไม่ได้แก้ปัญหาอะไร เราพุทธเจ้าท่านตัอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับน่าเสียดายครับผมมีเรื่องจะคุยกับท่านในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างจะมากแต่ทีนี้เวลาหมดแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วพวกนี้มันเป็นเรื่องกระเทือนปัญญานะครับอเอาไว้วันอังคันนะาครับผมจะมาคุยกับท่านผู้ฟังใหม่ในรายการวิเคราะห์ธรรมนี่ใน้นทางสถานีวิทยุ พ้นม .2 นี้แก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางสถา น, นี้ด้วยที่ให้ความสะดวกทุกครั้งขอขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้กรุณาติดตามฟังรายการนี้ข อ, ขอความสุขความสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเฉพาะขอให้เจริญด้วยปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดกันถุกเมื่อขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหาเมากะุตราชวิทยาลัยนะครับทุกวันอังคารครับเวลาสองทุ่มเศษนะครับผมวสิณทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมตอนนี้ก็ ได้วิเคราะห์เรื่องปัญญากถฐานะครับในกระถาวัต ถ, ถุสิบเนี่ยเป็นข้อที่แปดนะครับว่าด้วยปัญญาชักชวนกันให้เป็นผู้สนใจในปัญญามีปัญญาไตรตรองหาเหตุผลในการดำเนินชีวิตเมื่อกล่าวที่แล้วเมื่ออังขารที่แล้วนะครับ ผมได้คุยกับท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องจุดมุ่งหมายที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทก็เพื่อให้เกิดปัญญารูแจ้งเห็นจริงดังข้อความในอังคุเตเทนิกายติกปริปาตเจปิโตกเล่มยี่สิบข้อห้าร้อยหกสิบห้า ว่าข้อหนึ่งทรงสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่คนทุกคนเห็นอันนี้ผมได้พูดมาแล้วนะครับเมื่อวันอังคารที่แล้วทีนี้ขอเรียนท่านผู้ฟังนิดหนึ่งเพราะอาจจะมีการเข้าใจผิดถือว่าอพระไตรปิฎกที่ผมอ้างถึงนี้นะครับเช่นว่าอ่าที่อ้างถึงตะกี้เนี่ยครับเอพระไตรปิฎก อังคุตานิกายจิกานิบาาเล่มยี่สิบข้อห้าร้อยห้าสิบหกอันนี้หมายถึงพระไตริฎกภาษาบาลีนะครับพระไตริฎกภาษาบาลี <c oughs> ทีนี้ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็ตามไปดูแต่ถ้าดูพระไจรปิฎกภาษาไทย ภาษาไทยข้อเล่มก็จะไม่ตรงกันเช่นฉบับของมหา ม, มกุฏรราชวิทยาลัยซึ่งมีอัตกถาด้วยเล่มจะไม่ตรงกันถ้าไปถ้าไปเปิดดูเล่มยี่สิบก็จะไม่ก็จะไม่เจอข้อความพวกนี้แล้วก็ถ้า เ, เป็นพระไตรปิฎกฉบับ ของกรมการศาสนา45เล่มปกสีน้ำเงินนะครับแก็ให้ดูที่ข้ออไม่ต้องไปดูที่หน้าดูที่ข้อเอเล่มตรงกันอย่างเล่ม20ก็เล่ม20ตรงกันแล้วก็แต่น่าจะไม่ตรงดูที่ข้อเพราะฉะนั้นในที่นี้จึงอ้างข้อเอาไว้ <c oughs> เคยได้ยินว่าได้ยินว่าบางท่าน ตามไปดูก็ปรากฏว่าไม่พบข้อความที่กล่าวเพราะฉะนั้นจึงกราบเรียนให้ทราบว่าพระเจ้าิโดกที่ผมอ้างถึงนั่นคือพระเจ้าิโดกภาษาบาลีทั้งหมดเลยคือถ้าผมอ้างที่ไหนว่าเป็นพระเจ้าิโดกเริ่มเท่านั้นข้อเท่านั้นก็คือฉบับภาษาบาลีไม่ใช่ฉบับภาษาไทยอ <c oughs> <c oughs> อันนี้ขอ ขอแจ้งให้เรียนให้ทราบเอาไว้เผื่อท่านตามไปดูแล้วไม่เจอจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าผมอ้างผิดอตามที่มีผู้เล่าให้ฟังเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ขอแจ้งให้ทราบไว้ในที่นี้ด้วย <c oughs> ตอนนี้ประการที่สองนะครับพระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อให้ผู้ฟังตองตามและเรียนจริงได้ ท่งแสดงธรรมอยางมีเหตุผลที่ผู้ฟังอาจจองตามไม่เห็นจริงได้ด้วยตนเองอันนี้ก็ทำให้เราได้ความคิดว่ า, าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ยากเกินไปจนจองตามแล้วก็ไม่เห็นรองตามแล้วก็มองไม่เห็นหรือว่า ไม่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องจองไม่ต้องคิดก็รู้ก็เห็นได้ต้องคิดนิดหน่อย <c oughs> ต้องคิดนิดหน่อยไม่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องคิดก็เห็นได้ต้องคิดนิดหน่อยแล้วก็ไม่ยากเกินไปจนคิดแล้วจองตามแล้วก็ไม่เห็นออบางทีพระพุทธเจ้าท่านตรัส อะไรอะไรไปแล้วก็จะทรงถามก็จะตรัสถามผู้ฟังให้ให้ใช้ปัญญาพิจารณาหรือตรองตามอย่างเช่นในอนัตตลักณสูตรนะครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องอนัตตา ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาขณขาน่าเนี่ยนะครับว่าเป็นอนัตตาถ้าเป็นอัตตาแล้วเราก็จะหวังได้ว่าจงเป็นเช่นนี้เถิดจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่นี่เราหวังไม่ได้หรือบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่แล้วพระองค์ก็ตรัสถามพระปัญจวัคคีย์เพื่อจะให้ตรองตาม ให้เห็นจริงด้วยตนเองแล้วก็ตอบพระองค์ว่าเห็นอย่างไรเช่นในตอนตอนที่สองของอนัตตลกนสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัธรมพระปัญจวคีว่าตังกิงมันจะถาภิกขเวรูปังนิจจังวานิจจังวาด <c oughs> ิภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระปัญจวัคคีย์ก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข่าจัดถามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าคุณตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าขาก็จัดต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแต่ปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะ ตามเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังม ะ, มะมะนั่นเป็นเราเอโสหามิสมะเอโสหามัสสมิเราเป็นนั่นเอโสเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเราพระบัญจวคีก็ทูลตอบว่าไ ม, ไม่ควรเลยพระเจ้าค่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเป็นการ ส่งสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองคำสอนของพระองค์ในขณะนั้นเลยทีเดียวว่าเห็นอย่างไรเห็นอย่างไรเธอเห็นอย่างไรตังจริงมันจะทับพิกเวรูปังนิจังว่าอนิจังว่าทีา่รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงลองคิดดูสิว่ารูกเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยง ห, หรือไม่เที่ยงออย่างนี้เป็นต้นนะครับ เรียว่าทรงสอนเพื่อให้ผู้ฟังจองตามและเห็นจริงท่งสอนทรงสแสดงทำอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟังอาจจองตามให้เห็นให้เห็นได้ด้วยตนเอง <c oughs> อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาใจจองนิดหน่อยจึงจะเห็นความสุขุมลุ่มลึก ของพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดรถขึ้นเกิดรถขึ้นก็จะได้รับรถแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้สึกว่าไม่มีรถใดเสมอด้วยรถธรรมหรือว่ารถแห่งธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงสัพพรัสสังธรรมะรโสชินาติรถแห่งธรรมย่อมชนะรถทั้งปวง ับประิ้ธรำรมราติชินาติความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงนะเพราะยินดีแล้วสงบเยือกเย็นเป็นสุขมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นมีทุก